เสียงอ่านหนังสือตอบเรื่องศิลปตร ะ, ตะปรา마าศวินัยดูใจโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมษายนพุทธศักราช2557ในครั้งดำรงสมณศักดิ์พระพรมคุณาภรณ์นะครับจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยสีวาพรซาจึงน้องปัญญาและครอบครัวซาจึง ถามระยะปีสองปีมาเนี่ยได้ยินพระบ้างโยมบ้างคุยกันเรื่องแนวการปฏิบัติที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูจิตรักษาใจตัวเองโดยไม่ต้องสนใจปฏิกิริยาของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยคําอธิบายของพระโยมเหล่านั้นฟังแล้วเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องซึ่งหลักที่ได้ยินมาคือการที่บุคคลตั้งใจทํากิจวัตรให้ตรงต่อเวลาอยู่เป็นประจำสม่ําเสมอนั้น จัดอยู่ในจำพวกศิลพตาปารามาสอันเป็นกิเลสจึงไม่ควรกระทําที่ถูกคือบุคคลควรจะทํากิจต่างๆนั้นตามความพอใจไม่ใช่เพราะถูกกะเกณหรือต้องทําเพราะเป็นระเบียบกติกาที่ตกลงร่วมกันเมื่อพบเห็นคนทําผิดกฎระเบียบเราไม่ควรแสดงความโกรธหรือพูดจาตักเตือนว่ากล่าวแต่เราควรรักษาใจตัวเองโดยการนิ่งเฉยเสีย เพราะถ้าเราโกรธแล้วแสดงออกมาทางกายวาจาเท่ากับว่าเรากำลังประพฤติผิดศีลขณะที่อีกฝ่ายแค่ประพฤติผิดวินัยเท่านั้นใครจะทำผิดก็ช่างเขาให้รักษาจิตเราเอาไว้ก่อนโดยในยะกลับกันหากเราทำผิดกฎระเบียบก็ไม่ต้องใส่ใจว่าจะมีคนไม่พอใจหรือไม่เขาจะดุด่า ว, ว่ากล่าวก็ช่างเขาเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่บุคคลอื่น จะต้องดูแลจิตของตัวเองไม่ให้เศร้าหมองขุนมัวเป็นอกุศลหน้าที่เราคือทำในสิ่งที่พอใจเท่านั้นหลักคิดข้างต้นดูเหมือนว่าน่าจะถูกต้องแต่ที่จริงอย่างครึ่ ง, งกลางกางข้างๆขู่ๆและแฝงในยะของการพยายามหาแง่มุมที่คิดว่าชอบทำมากลบเกลื่อนความผิดตามสมมุติฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัต ตามการตีความธรรมวินัยที่ผิดเพี้ยนนี้จึงใคร่กราบขอความเมตตาจากท่านเจ้าขุนอาจารย์ได้ให้แนวทางที่ถูกต้องด้วยความหมายของศิลปะปรามาศคำสอนที่เล่ามาในคำถามนั้นไม่ใช่แค่ครึ่งๆกลางๆข้างๆคู่ๆเท่านั้น ะจะพาออกนอกลู่นอกทางถึงกับออกนอกพระธรรมวินัยไปเลยทีเดียวจึงขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจให้ชัดและช่วยคนที่จะหลงผิดไปให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องหรื อ, อยังน้อยให้ใกล้หลักเข้ามาเรื่องที่ถามนี้ไม่ใช่เรื่องศิลปะตัำรามาสอะไรหรอกเป็นเพียงเรื่องของความเข้มแข็งหรือความอ่อนแออย่างธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเอง ต้องเข้าใจก่อนว่าศิลปะปรามาตแปลว่าความถือมั่นในศีลพรตจนเลยเถิดควรแยกศัพ์ดูกันนิดหนึ่งศิลปะคือศีลและพรตศีลก็คือศีลพัตตในที่นี้คือพอพานต่อเตา่ามาจากวัตตะคือวอแวนต่อเตา่า อาวตะตัวนี้เป็นพัตะเพราะในบาลีวอร์วนเป็นพอพานได้วัตตะจึงเป็นภตะแต่ไทยเอาเป็นพรตโดยใช้คําสันสกฤตคือแปลาจากบาลีไปเขียนอย่างสันสกฤตกลายเป็นพรตศีละบวกภตะสอนพอพานเข้าไปตามหลักภาษาของเขาก็เป็นศิลละพัตะแล้วก็แปลว่า ศีลและพรตกำหนดไว้ให้ดีว่าวัตตะคือวอรแวนต่อเต่านี้แปลว่าพัตตะแล้วเป็นพรตไม่ใช่วัตตะที่สะกดด้วยวอแวนไม่หันอากาศต่อเต่าสองตัววัตตะที่แปลว่าวัตสะกดด้วยต่อเต่ารอเรือเป็นคนละคำอิจวัติเป็นต้นไม่อยู่ในวัตตะ หรือรถนี้ศีลพัตตะจึงไม่ใช่ศีลและวัดขอเล่าแถมแทรกไว้นิดหนึ่งว่าในเมืองไทยเราเนี่ยใช้ผิดเยอะผมเองตอนแรกก็พลอยเขียนตามเช่นเราชอบพูดกันว่าตุด่งขวัตแต่พอตรวจสอบกันจริงๆตุดวงขวัตไม่มีหรอกแล้วแถมอัธกถาบาลีฉบับไทยนี่ชำระ ก, กันก็ไม่แน่ลงไป เป็นทุตังควัตตะบ้างเป็นทุตังควตะบ้างคำนี้ในฉบับพมา่าเขาเสมอต้นเสมอปลายแน่นอนลงไปเลยคือของเขาเป็นทุตังควัตตะคือวัตตะอย่างเดียวไม่มีทุตังควัตตะคือวัตตะเลยแต่ฉบับของไทยเรานี่ยังยุ่งมีปนปนกันไปควรจะต้องค้นตรวจสอบให้ลงกันทั้งหมดเป็นอันว่าเป็นคนละคำวัตตะ คือวแวนต่อเต่าก็คาหนึ่งส่วนวัตตะอีกเขียนด้วยวหวนต่อเต่าพินทุต่อเต่าเป็นอีกคาหนึง่งวัตตะเป็นพระถวัตตะเป็นวัดสำหรับในคำว่าวัตตะและวัตตะเวลาฟังอาจจะคล้ายกันมากนะครับท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือไปตรวจสอบได้ฟรีจากทางเว็บไซต์ของวัดนะครับ วัตตคือวัดเป็นพวกขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติแต่ละกิจแต่ละเรื่องเช่นจะปฏิบัติตัวในการเข้าสวมเข้าห้องน้ำก็มีวัจกุฎีวัดอาคันตุ ก, กะมาจะปฏิบัติหรือต้อนรับอย่างไรก็มีอาคันตุกะวัดจะไปอยู่อาศัยไปนอนไปนั่งจะปฏิบัติต่อที่นั่นอย่างไรก็ทำตามเสนาสนะวัดนี่คือวัตตหรือวัด ส่วนวาตตะที่เขียนด้วยวอลแวนต่อเต่านะครับส่วนวัตตะคือพลดเป็นหลักการที่ถือปฏิบัติที่เรียกว่าบัมเพนพลดเช่นถืออดอาหารถือโหนกิ่งไม้ถือยืนขาเดียวมีมากนอกพุทธศาสนาในพุทธศาสนาท่านให้ปฏิบัติได้ในขอบเขตหนึ่งโดยมีความเข้าใจที่จะทาให้ถูกต้อง ไม่ให้กลายเป็นการทรมานตนของคนขาดปัญญาตัวอย่างที่ชัดคือทุดงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ยกขึ้นมาถือคือเป็นพรตชุดหนึ่งแต่อย่างที่ว่าแล้วของเราไม่รุนแรงอย่างเขาแค่ใช้ขัดกลาวกิเลสเช่นนอกพุทธศาสนาเขาถือพรตอดอาหารเราถือทุดงแค่ฉันมือเดียวนอกพุทธศาสนาเขาถือไม่นุ่งผ้า หรือนุ่งแบบคนป่าปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังหรือปิดข้างหลังเปิดข้างหน้าเราถือทุดงแค่นุ่งหม่มจีวรบางสุกุลเป็นอันว่าพรตหรือวัตตะเป็นหลักใหญ่ของชีวิตที่ถือไว้โดยเข้าใจว่าจะทำให้หลุดพ้นไม่ใช่เป็นธรรมเนียมวิธีปฏิบัติในแต่ละกิจแต่ละเรื่องอย่างที่ว่าแล้วกิจวัตรก็อยู่ในวัตตะคือวัดไม่ใช่พรต แยกให้ได้นะในอัธกถาบาลีของไทยเราคำนี้สับสนพลาดไปเป็นอันว่าในคำว่าศีลพัตตะได้แก่ศีลละพรนนั้นคือศีละและวัตตะคือพรนไม่ใช่วัดทีนี้ปรามาตแปลว่าการยึดถือมั่นจนเลยเถิดคือเลยเถิดเป็นอย่างไร คือว่ายึดถือศีลพราเลยเถิดก็คือไม่ถือให้ตรงตามจุดมุ่งหมายก็เลยไม่ตรงไม่พอดีจึงเลยเถิดไปเสียยึดถือตามจุดมุ่งหมายคือถือปฏิบัติโดยมีความรู้เข้าใจด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะรู้จุดหมายได้อย่างไรพูดสั้นๆก็คือว่าถ้าปฏิบัติด้วยปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายเมื่อรู้ความมุ่งหมายก็ปฏิบัติถูกต้องได้ เมื่อเราจะปฏิบัติอะไรเราศึกษาไต่ถามให้รู้ชัดลงไปว่าอันนี้มีความหมายอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายเวลาทำอะไรก็มองไปที่จุดหมายอย่างนี้ไม่เป็นศิละปะตรามาศการยึดถือปฏิบัติที่เป็นศิละปะตรามาสนั้น เป็นความผิดพลาดเลยเถิดไปเพราะเจตนาของใจที่ขุนมัวโง่เลอะก็เลยยึดถือไปตามกิเลสที่เป็นเหตุต่างๆคือหนึ่งศิลปะปรามาตด้วยโมหะคือยึดถือด้วยโมหะคือด้วยหลงโง่งมงายปฏิบัติตามๆเข้าไปอย่างนั้นๆโดยไม่รู้เรื่องโดยไม่รู้ความหมายไม่รู้ความมุ่งหมายอย่างที่ว่าแล้วเขาสอนมาอย่างนั้น อาจารย์ทำมาก็ทำตามกันไปอย่างเนี้ยเป็นกันมากเป็นศิลป ะ, ระปรามาสด้วยโมหะ 2. องศิลป ะ, ระปรามาสด้วยโลภะข้อนี้ท่านยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นถือศีลโดยอยากไปเป็นเทวดาคิดว่าเราถือศีลอย่างนี้แล้วจะได้เป็นเทวดาองนั้นองนี้ จะได้มีอำนาจฤทธิ์ดดอย่างนั้นๆเรียกว่ายึดถือด้วยโลภะที่จริงนั้นการไปเป็นเทวดาไปสวรรค์อะไรๆนั้นเป็นเรื่องของผลพลอยได้เป็นผลพ่วงเมื่อปฏิบัติถูกก็ไปเองเป็นธรรมดาของมันไม่ต้องไปอยาก 3. ศิลปะปรามาด้วยโทสัก เช่นยึดถืออย่างเป็นปฏิกิริยาได้ยินเขาว่าแล้วขัดใจขึ้นมาตึดฮัตบอกว่าถ้าจะถือของข้าอย่างนี้แหละใครจะว่าอย่างไรก็ว่าไปโกรธอย่างเนี้ยก็โทสะที่กล่าวมา น, นี้เป็นการยกตัวอย่างรวมความว่าศิลปตาปรามาจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยปัญญาพูดสั้นๆเอาง่ายๆ ว่าปฏิบัติด้วยกิเลสคือโลภะโทสะโมหะแม้จะทำด้วยริสยาวหรือกิเลสอะไรก็อยู่ในนี้เอาเป็นอันว่านี่คือความหมายของคำยุติที่ว่าให้ปฏิบัติด้วยปัญญาโดยรู้ความหมายและความมุ่งหมาย พอใจจึงควรทำก็มีไม่ต้องพอใจแต่ใจเข้มแข็งควรจะทำก็มีสำคัญที่ฝึกตนโดยรู้จักใช้ปัญญาตามคำถามข้างต้นมีการสอนว่าการที่บุคคลตั้งใจทำกิจวัตรให้ตรงต่อเวลาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั้นจัดอยู่ในจำพวกศิลปตาปรามาต อันเป็นกิเลสจึงไม่ควรกระทําที่ถูกคือบุคคลควรจะทํากิจต่างๆนั้นตามความพอใจไม่ใช่เพราะถูกกาเกณฑ์หรือต้องทําเพราะเป็นระเบียบกติกาที่ตกลงร่วมกันอันนี้ต้องระวังจะกลายเป็นการสอนให้เข้าใจผิดพลาดเป็นการสอนโดยไม่รู้จักแยกแยะแทนที่จะเป็นธรรมก็จะพาออกไปนอกธรรมตามที่พูดให้ฟังแล้ว คงรู้เข้าใจแล้วว่าศิลปตะปรามาตรคือการยึดถือหลักการและข้อปฏิบัติต่างๆเลยเถิดไปไม่ตรงตามความหมายและความมุ่งหมายของมันเพราะขาดปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นด้วยเป็นการปฏิบัติเพราะโง่หลงงม ง, งายบ้างเพราะโลภะบ้างเพราะโทสะบ้าง จะเท่ารู้เข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของการปฏิบัินั้นชัดเจนดีแล้วมองเห็นเหตุผลที่ตนจะปฏิบัติว่าถูกต้องมั่นใจแล้วจะต้องปฏิบัติจริงจังเต็มที่จึงจะถูกต้องเป็นการปฏิบัติด้วยฉันทะด้วยวิริยะเป็นต้นโดยคนที่เข้มแข็งและมีปัญญาการไม่ปฏิบัติจริงจังตามใจตัวเองเพราะเกียรติคร้านเป็นต้นจึงจะเป็นกิเลส และถึงขั้นเป็นความประมาทที่ว่าบุคคลควรจะทำกิจต่างๆตามความพอใจนั้นก็ถูกนิดหนึ่งแต่คำว่าตามความพอใจนั้นมีแง่พิจารณาหลายอย่างตามความพอใจแบบที่ว่าเอาแต่ใจของตัวตามที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นก็คือทำตามกิเลสและไม่รู้จักฝึกตนความเสื่อมจะรออยู่ข้างหน้า คนควรทำการต่างๆด้วยความพอใจที่มากับความเข้าใจหรือเกิดจากความเข้าใจคือมีปัญญารู้ว่าการนี้ทำแล้วดีงามเป็นประโยชน์อย่างไรเป็นความพอใจที่เป็นชันทะเรื่องนี้เราไม่อยากทำไม่มีความพอใจแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาหรือมีผู้ปรารถนาดีอธิบายให้ฟังว่าทำแล้วจะดีงามเป็นประโยชน์อย่างไร เดิมไม่อยากทำเลยแต่พอรู้เข้าใจเห็นเหตุผลก็เกิดความพอใจเกิดชันทะขึ้นมานี่คือความพอใจทำให้เกิดขึ้นได้ควรทำด้วยความพอใจอย่างนี้ไม่ใช่ทำตามพอใจที่เพียงว่ามีความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจต้องแยกแยะที่ไม่ให้ทำเพราะถูกกักเกณฑ์นั้นก็ต้องแยกแยะเหมือนกัน การบังคับให้ทำนั้นตามปกติก็ไม่ถูกต้องแต่ในบางกรณีก็ไม่ใช่การบีบบังคับด้วยจิตโทสะเป็นต้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้ารู้ว่าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์และเขาหวังดีก็รู้จักปฏิบัติให้เหมาะไม่ใช่ตัดสินพรวดไปทีเดียวด้วยเฉพาะการที่ต้องทำเพราะเป็นระเบียบกติกาที่ตกลงร่วมกันนั้นนอกจากเป็นเรื่องของเหตุผลทางสังคมแล้ว ถ้าเราพิจารณาแล้วมองเห็นด้วยปัญญาว่าเรื่องนี้ควรทำเพราะดีงามเป็นประโยชน์แต่ยากสาหรับเราเราอ่อนแอไม่อยากทาใจป้อแปอแปลไม่สู้ในกรณีอย่างนี้ระเบียบกฎกติกาวินัยก็เป็นเครื่องช่วยให้เราได้ฝึกตนทำให้มีความเข้มแข็งแล้วเราก็จะก้าวหน้าไปได้สิ่งที่ไม่เคยทำได้ก็จะทำได้ที่ทำได้ไม่ดี ก็จะทำได้ดีชำนาญคล้าวคล่องง่ายดายขึ้นทีนี้พอฝึกดีแล้วถึงไม่มีระเบียบกฎกติกาก็อยากทําและนําคนอื่นๆให้ทําได้ด้วยจุดสําคัญอยู่ที่การฝึกตนมีความเข้มแข็งและตั้งอยู่บนฐานของปัญญาเมื่อทําด้วยมีปัญญารู้เข้าใจเกิดชันทะขึ้นมาหรือด้วยวิริยะก็เข้มแข็งก้าวไป การฝึกตนก็เกิดขึ้นและก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าเมื่อไรเมื่อไรก็อยู่แค่ความชอบใจและไม่ชอบใจมีจิตใจอ่อนแองอกร ง, งอขิงจมอยู่ในความประมาทควรรู้จักใช้ปัญญาลุกชันทะขึ้นมาทำการด้วยความเข้มแข็งฝึกตนยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อปฏิบัติถูกชัดแน่แล้วก็เข้มแข็งจริงจังแน่วไปเลยตอนนี้ถ้าชัดแก่ตนแล้วว่าเรารู้ความหมายและความมุ่งหมายเข้าใจถูกต้องทีนี้ก็ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งจิตใจก็จะแช่มชื่นเบิกบานมีความมั่นใจก็เอาจริงเอาจังเต็มที่เลยจะเยาะแยะไม่ได้พอรู้แน่แล้วก็มุ่งแนวไปเลย ไม่มัวละล้าละลังศีลและพรนที่ขยายออกไปเนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติขั้นศีลนั่นแหละเป็นแค่ขั้นต้นอะไรกันถ้าแค่ข้อปฏิบัติขั้นต้นแค่ขั้นพฤติกรรมภายนอกนี่ยังทำไม่ไหวแล้วถึงขั้นจิตใจจะไปสู้อะไรได้ต่อจากศีลก็คือขั้นสมาธิขั้นจิตใจที่จะต้องชนะจิตใจของตนได้ จนเป็นเจโตวสีคือมีอำนาจเหนือจิตใจของตนได้จึงจะเป็นความสาเร็จจึงต้องมีความเข้มแข็งเมื่อมั่นใจว่าถูกต้องแน่ชัดแล้วก็ทำเต็มที่เลยตอนนี้ก็จะได้ฝึกจิตใจไปด้วยข้างนอกทำจริงจังในใจก็มีความเข้มแข็งมั่นแนว่วแล้วก็ก้าวต่อไปในขั้นสมาธิของจิต จุดสำคัญอยู่ที่นี่ไม่ใช่มัวอ่อนแอป่อแปถ้าถือศีลละพรตที่ถูกต้องเช่นอย่างถือทุดงและไปหมัวอ่อนแอจะทําสำเร็จได้อย่างไรทุดงทุกข้อนั้นก็ชัดอยู่แล้วท่านวางไว้เป็นพรตให้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากจะทําสำเร็จได้ก็ต้องเข้มแข็งอย่างมากเท่านั้นถ้าไม่เข้มแข็งจะถือทุดงได้อย่างไรไม่มีทาง อะไรจะละจะเว้นก็ละก็เว้นได้จริงอะไรตกลงให้ทำก็ทาให้จริงไม่ใช่เหาะแย่เหาะละไปหมดกลายเป็นคนที่ล้มเหลวไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างนี่คือฝึกในทางตรงข้ามกับที่ท่านสอนปล่อยตัวให้เรื่อยเปื่อยต่อไปก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอจนเคยชินเป็นนิสัยข้อสำคัญอยู่ที่ต้องรู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรถึงจะไม่เป็นศิลปะตาปรามาศ ต้องมีปัญญารู้ความหมายความมุ่งหมายเช่นว่าทุดงเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลากิเลสเออเรานี่เป็นคนขี้เกียจความขี้เกียจนี่เป็นตัวกิเลสตัวร้ายเราจะต้องขัดเกลากิเลสตัวขี้เกียดนี้เราก็ต้องเข้มแข็งเอาชนะไล่ความขี้เกียจไปได้นี่คือปฏิบัติตรงถ้าเราเป็นคนอ่อนแอคอยตามใจอยากของตัวเอง อยากอย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นเช่นอยากฉันนั่นฉันนี่อยู่เรื่อยฉันตามเวลาตามปกติฉันตามเวล า, ต า, ต, ต, า, วลาตามกติกาแล้วไม่พอในระหว่างมือ้อยังอยากฉันอีกนึกอยากจะฉันอะไรก็ฉันอีกอย่างนี้ไม่ได้นี่เป็นความล้มเหลวในธรรมวินัยท่านจึงให้ฝึกเมื่อรู้ตัวว่าเราเนี่ยชอบตามใจตัวในเรื่องการฉันน่่นฉันนี่เราก็จะฝึกตัว เอาละเราจะชันมือเดียวล่ะก็เอาจริงโดยสมัานาันเลยสมัานาว่าเราถือทุดงชันมือเดียวโดยมีความตระหนักรู้ความมุ่งหมายว่าเราทำเพื่อฝึกตนเพื่อขัดเกลากิเลสจะได้ไม่อ่อนแอมัวแต่ตามใจตัวไม่เป็นไหนสักทีเมื่อรู้ความมุ่งหมายแม่นแก่ใจอย่างนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งใจสู้เต็มที่ไม่ยอมตามใจกิเลสนี่แหละ มันอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องของความเข้มแข็งกับความอ่อนแอไม่ใช่เรื่องศรริลพตะปรามาสอะไรเลยมันคนละขั้นคนละตอนคนละเรื่องกันธรรมวินัยนี้เป็นของผู้มีวิริยารำภะที่ว่าปรารบความเพียนถูกไหมคือร่ำแต่จะเพียนจะเพียนพยายามอยู่ร่ำไปจึงเรียกว่าวิริยรำภา ซึ่งอยู่ที่เข้มแข็งถ้ามัวไปตามใจตัวเองอยู่เป็นคนอ่อนแอก็ไปไม่รอดมีแต่จะต้องมีความเพียรจะมาขี้เกียจผัดผ่อนอ่อนแอเหยาะแย่ได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้ขออภัยใช้คำไม่ค่อยเพราะหน่อยก็เรียกว่าใจงิ่คนที่ร่างกายเป็นง่อยยังดีกว่าคนใจงิ่ทำไมเป็นอย่างนั้นคนง่อยนั้นร่างกายเป็นง่อย จึงทำอะไรไม่ค่อยไหวใช่ไหยแต่ถ้าเขามีใจเข้มแข็งถึงกายจะง่อยเขาก็ยังพยายามสู้กระเสือกกระสนไปอันไหนทำได้พอไปได้แค่ไหนก็พยายามทำมันไปจนสุดเต็มที่แค่นั้นยังมีทางก้าวไปได้แต่ถ้าคนใจหงิกเสียแล้วมันไม่เอาเลยแย่ยิ่งกว่าคนเป็นง่อยเพราะฉะนั้นจึงไปไม่รอด ถ้าจะอยู่ในธรรมวินัยนี้ต้องมีใจเข้มแข็งมีอะไรต้องทำเมื่อมันถูกต้องเมื่อมันตรงจุดมุ่งหมายแน่ใจแล้วก็ทำเต็มที่เลยเมื่อพระพุทธเจ้าท่งบําเพ็ญเพียรนั้นแม้แต่ทั้งชีวิตก็ส่งยอมทุ่มถูกไหมเมื่อทรงทราบว่าผิดก็ทรงละเลิกได้เลยไม่ใช่ครึง่งกลา ง, ลางนี่คือความถูกต้องจริงจัง จุดของเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ที่ทำด้วยความไม่เข้าใจทำด้วยความไม่รู้อันนั้นเป็นขั้นที่หนึ่งทีนี้ขั้นต่อไปพอรู้แล้วกลับอ่อนแอซสอีกก็เลยไปไม่รอดจุดสำคัญอยู่ที่นี่จึงได้บอกว่าประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ความเข้มแข็งกับความอ่อนแอไม่เกี่ยวอะไรกับศิลปะปรรมาท วินัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริงย้ำให้ยิ่งต้องเข้มแข็งในการฝึกอิจวัตรเป็นต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวินัยว่าโดยความหมายทั่วไปวินัยนี้มุ่งในแง่สังคมมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ชุมชนมีความประพฤติเสมอกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยรักษาสามัคคี แต่วิในมีความหมายในแง่ส่วนตัวด้วยคือเป็นเครื่องฝึกตามสัพท่านแปลว่าเครื่องนำไปให้วิเศษก็คือฝึกนั่นแหละฝึกเป็นการทำให้ดีขึ้นหรือทำให้วิเศษขึ้นไปเมื่อเราจะทำตัวให้ดีขึ้นจะทำอะไรให้เป็นให้เก่งให้ชนานาญขึ้นเราก็ฝึกคนจึงต้องมีการฝึกตัวเอง ในพระพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวัดในสังฆะคือในหมู่พระเนี่ยบวชเข้ามาก็เพราะเห็นด้วยอย่างที่ท่านสอนแล้วจึงตั้งใจว่าจะเอาจริงกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนท่านจึงมีวินัยไว้ให้วินัยนั้นเพื่อช่วยคนที่จะเอาจริงและเพื่อให้ทำจริงจังท่านจัดตั้งวางวินัยให้มาเพราะว่าคนเราเนี่ย ถึงจะมาบวชเป็นพระแล้วก็เถอะทั้งๆ ท, ที่รู้ตามธรรมว่าอันนี้ดีควรจะทำแต่ใจมันไม่เข้มแข็งมันไม่ค่อยจะสู้บางทีบางคนนั้นก็ถึงกับเหยาะแยะมันอ่อนแอป่อแป้ปวกเปียกหรือคอยจะทอคนอย่างนี้ก็จะได้มาเจอกับวินัยนี่ก็คือมีเกณฑ์มาตรฐานวางไว้ให้แล้วก็เหมือนกับบังคับนั่นแหละพอเจอกับวินัยก็บอกตัวเองได้เลยว่าต้องทา ถ้าไม่เจอกับวินัยทั้งที่ธรรมะบอกไว้แล้วว่านี่ดีควรจะทำเห็นด้วยแต่ก็ยังรีรอคิดจะผัดไว้ก่อนพอวินัยมากํากับมาสำทับให้ต้องทำการปฏิบัติธรรมก็เลยได้มีเป็นจริงเป็นจังขึ้นมารอวินัยมาช่วยให้เอาจริงกับการปฏิบัตินั้นนี่คือการฝึกเข้ามาแล้ว คนไหนไม่เอากับวินัยไม่เห็นประโยชน์ของวินัยไม่เอากับวินัยการมาบวชอยู่ในสังฆะก็แทบไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะอยู่ในสงฆ์หรืออยู่ในวัดไปทำไมถ้าจะอ้อแอก็ไปหาที่นอนแช่วินัยมาทำให้เรากวดขันตัวเองช่วยให้เราบังคับตัวเองให้ทาให้ได้ดังนั้นวินัยจึงเป็นเครื่องฝึกตัวเอง คอยสำทับให้เราต้องฝึกตัวเองให้ก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นวินัยจึงมีประโยชน์ที่ว่ามาเสริมธรรมอย่างที่ว่าแล้วลาพังธรรมคือธรรมะอย่างเดียวเนี่ยทั้งที่เราได้เรียนได้รู้มาว่าควรจะทำควรจะปฏิบัติอะไรแต่ใจมันอ่อนแอไม่ยอมเริ่มไม่ยอมลงมือไม่ยอมก้าวไปวินัยก็มาเข้าคู่กับธรรมมากากับสำทับให้คนปฏิบัติธรรม แล้วก็เลยปฏิบัติจริงจังต่อมาก็จึงได้ผลขึ้นมามีฉะนนั้นก็จะนอนรออยู่นั่นเองเมื่อคนนอนรอใจธรรมะก็นอนรอคนแต่วินัยไม่ยอมให้รอทีนี้วินัยก็มาเชื่อมคนเข้ากับสังคมเมื่อคนมาเป็นส่วนรวมในสังคม เมื่อตัวพระมาเป็นส่วนรวมในวัดในสังฆะวินัยก็เป็นมาตรฐานที่บอกแจ้งไว้ว่าคนอื่นเขาทำอย่างนี้เราก็ต้องทำเหมือนเขานั่นแหละคือเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อให้สังคมให้หมู่คณะอยู่กันด้วยดีเป็นอันเดียวแล้วก็อยู่ได้นี่คือวินัยรักษาสังคมแต่ที่นี่เราพูดแค่ในแง่ตัวเองนี่แหละเอาแค่ส่วนตัว ในแง่ส่วนตัวก็คือวินัยมาทำให้เกิดความเข้มแข็งและมีเครื่องกากับให้ปฏิบัติตามธรรมอย่างที่พูดแล้วว่าธรรมะอยู่นี่แล้วแต่ใจเราไม่แข็งแรงพอวินัยจึงมาช่วยเสริมย้ำกากับให้เราต้องทาวินัยมากากับความระพืติกากับกิริยาอาการขับเคลื่อนรูปธรรมให้ต้องทาด้วย ให้ต้องทำตามบังคับรูปธรรมคือร่างกายได้แก่กายวาจาให้ประสานกับใจแล้วใจนี่ก็อาศัยทางกายวาจาด้วยเมื่อการประพฤติทางกายวาจาโน้มไปอย่างใดใจก็จะโน้มตามไปด้วยเหมือนเราไปให้ทานใจก็ต้องบอกต้องสั่งมือจึงให้ทานได้แล้วเรารู้หลักอยู่แล้วว่าให้มีเมตตา ถ้าคนรู้หลักพอไปให้ทานมันก็ทำให้เมตตาเพิ่มขึ้นง่ายถ้าเรามีแต่เมตตาแผ่เมตตาแล้วไม่ทำอะไรสักทีเมตตาในใจไม่แสดงออกไปมันก็ไม่เข้มแข็งมันต้องออกไปเป็นรูปธรรมด้วยไปให้เขาไปทำการสงเคราะห์และใจรู้หลักอยู่แล้วก็คือมีปัญญามาบอกใจ ใจที่รู้ก็จะได้เรียกเอาเมตตาเรียกเอาเขารุณามาที่จะคิดหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาพ้นทุกข์เป็นต้นนี่ก็คือประสานกันไปท่านจึงให้ปฏิบัติโดยมีศีลสมาธิและปัญญาเกื้อหนุนกันไปอย่างนี้จึงจะเจริญในเรื่องที่พูดกันอย่างนี้พอเริ่มต้นก็ต้องมีปัญญาอยู่บ้างพอให้รู้ว่า นี่เราปฏิบัติศีลและรถอันนี้เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเมื่อมีปัญญาพอรู้เข้าใจแล้วใจเอาด้วยใจก็บอกตกลงจะทำแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นและเมื่อจะให้มั่นให้แน่ก็เอาวินัยมาช่วยกากับให้ทำให้ได้ใจก็เข้มแข็งเพราะวินัยมากากับกายวาจาให้เอาก็ประสานไปด้วยกัน ได้ครบศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นกระบวนการที่ประสานเสริมกันไปเอาล้นะทวนว่าพวกกิจวัตรนั้นเป็นเรื่องของวินยัยข้อกิจวัตรทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของวินยัยรสก็พวกหนึ่งใหญ่ๆวัดก็พวกหนึ่งย่อยๆอย่างที่ย้ําว่าวัดเป็นข้อปฏิบัติปลีกย่อยเล็กน้อย ที่ท่านเรียกว่าขนบรรมเนียมแล้วทั้งหมดนั้นก็จัดเข้าในศีลพูดว่าศีลคำเดียวก็คลุมหมดแต่ต้องพูดด้วยรู้ด้วยเข้าใจคือคำว่ารสก็อยู่ในศีลด้วยวัดตะหรือวัดก็อยู่ในศีลการที่เราต้องปฏิบัติวัดต่างต่างก็เพราะว่าวัดเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เราต้องทำอย่างนั้นๆเป็นประจำ มันก็เลยเป็นวินัยที่มาหนุนมากำกับมาบังคับควบคุมตัวเองให้เราต้องทำจริงจังจนเป็นแบบแผนเคยชินเราต้องทำตลอดเวลาทำสม่ำเสมอเช่นทุกวันลงทำวัดสวดมนต์เช้าคำ่ำทำได้จนทำเป็นธรรมดาจึงเป็นวินัยช่วยให้เข้มแข็งเป็นจริงเป็นจังถ้าไม่มีวัดตั้งไว้เราก็ไม่รู้จะจับจุดที่ไหนพอมีวัดไว้ ก็คือท่านบอกแล้วว่าให้ทำนั่นให้ทำนั่นเราก็ไปทำตามนั้นปับ๊บเราก็มีใจเข้มแข็งด้วยเพราะต้องเอาจิงเอาจังจึงทำได้พอเราทำได้ตามวัดนั้นวินัยก็ได้ผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าวัดที่สะกดด้วยตอเตารอเรือนะครับเป็นส่วนย่อยของความประพฤติประจำตัวติดตัว พอประพฤติได้อย่างนั้นๆเป็นคุณสมบัติของเราอยู่ในตัวเรามันก็เป็นศีล น, นี่แหละมันมาช่วยหนุนให้คนมีศีลท่านจึงบัญญัติวัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของวินยัยเราจะได้มีเครื่องกําหนดหรือจุดจับในชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่อยู่ๆจะมีศีลขึ้นมาได้มันต้องมีข้อปฏิบัติเหล่านี้มาช่วยทําให้มีจุดกําหนดว่าจะทําอะไรแล้วทําไปตามนั้น พอทำได้อยู่ตัวเข้าในตัวเป็นปกติของเราก็คือมีศีลเป็นอันว่าในวินัยที่กว้างใหญ่นั้นวัดเป็นข้อปฏิบัติปลีกย่อยแม้กระทั่งหยุมหยิ้มในชีวิตประจำวันหรือประจำชีวิตซึ่งช่วยให้เราฝึกตัวทำให้มีโอกาสเกิดศีลได้ง่ายขึ้นช่วยให้ไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งคลาว่าจะเจริญศีลตรงไหนดี กายวาจาอาศัยข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นวัดนี่แหละเราทาเราพูดให้ถูกตามวัดที่ท่านวางไว้เช่นจะทำอะไรในที่ประชุมเราบอกขอโอกาสก็เป็นวัดอย่างหนึง่งเราปฏิบัติต่ออาคารตุ ก, กะปฏิบัติต่อเสนาสนะให้เหมาะสมก็เป็นวัดทั้งนั้นแม้แต่ยุ่มยิ้มยิ้มเพราะเราทาก็คือทาในส่วนของวินยัยก็เป็นวินัย พอวินนยมาก็นำศีลให้เกิดขึ้นดูใจขึ้นไปให้ถึงปัญญาไม่ใช่ปล่อยให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดูทีนี้ก็มาดูใจ ดูใจนี่ถ้าว่าถึงหลักเดิมก็คือจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐานสี่เมื่อปฏิบัติในระยะแรกๆบางสำนักก็จะเน้นการดูจิตมันเป็นเทคนิคของสำนักนั้นๆสติปัฏฐานนั้นสอย่างกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเวลาปฏิบัติจริงก็คือ ในชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปตลอดเวลาชีวิตก็อยู่ในอนุปัสนาสีเมื่อปฏิบัติครบสี่อันนี้ก็คือครบทั้งชีวิตแต่พอเริ่มต้นจะทําให้ครบทั้งสี่มันไม่ค่อยจะไหวที่นี้สํานักทั้งหลายก็มีเทคนิคของตัวคือตอนแรกตอนเริ่มเอาหมดทั้งสี่ยังไม่ไหวจะเริ่มที่อันไหนดีตามโบราณสืบมา มักเอากายานุปัสสนาเป็นตัวเริ่มแต่บางสำนักอย่างโกเองกาหรือโกเองกาท่านว่าเวทนาเรื่องเจ็บปวดเรื่องสุขทุกเนี่ยชัดมันเด่นก็อเอาเวทนานุปัสสนาเป็นจุดเปิดการปฏิบัติเอาเวทนานุปัสสนาเป็นที่เริ่มบางสำนักก็เริ่มที่จิตตานุปัสสนาเน้นการดูจิตสำหรับโบราณ น, นั้นเขามองว่าร่างกายเป็นของหยาบ ดูชัดจับง่ายหน่อยจึงเอากายานุปัสนาเป็นจุดเริ่มแล้วค่อยๆขยายไปถึงอนุปัสนาอย่างอื่นในสติปัฏฐานสี่แต่ในที่สุดแล้วต้องมาประสานกันหมดคือในที่สุดเมื่อปฏิบัติได้จริงก็เพริบเลยหมายความว่าไม่ว่าด้านไหนโผลมาต้องได้หมดต้องทันหมดแต่ตอนเริ่มแรกมันทันไม่ไหว ก็เลยเอาอันไหนที่ท่านเห็นว่าง่ายหรือได้ผลไวทีนี้เรามาดูเรื่องจิตดูจิตดูใจก็ดูไปตามที่มันเป็นแล้วในการดูตามที่มันเป็นนั้นจะทำอย่างไรการปฏิบัติในการดูก็ก้กาวไปในหลักศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแล้วตอนที่ปฏิบัติอยู่นะ่ะมันเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างไร การที่เราไปดูนั้นก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงดูจิตของพระองค์นั่นแหละพระองค์ทรงเล่าในพระสูตรว่าเมื่อประทับอยู่ทรงเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาพระองค์ก็สืบสาวก็ตามดูเจ้าความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นนั้นก่อนมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกอะไรก่อนแล้วความรู้สึกนี้จึงเกิดขึ้นสืบสาวตามดูอ๋ออันนั้นเกิดขึ้นแล้ว อันนี้จึงเกิดแล้วอันนั้นละ่ะก่อนที่อันนั้นจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ตามดูก็ตามสังเกตนั่นเองอนุปัสนาฝรั่งแปลกันว่า observation ก็คือสังเกต ด, ดูความเป็นไปดูของจริงนะ่ะดูตามที่มันเกิดตามที่มันเป็นไปทีนี้ดูจิตของเราก็ดูตามที่มันเป็น ถ้าเราฝึกปฏิบัติอะไรอยู่ก็ดูไปตามนั้นแล้วก็ก้าวไปในการปฏิบัติด้วยถ้าดูจิตดูใจก็ดูแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นอยู่นั่นหละทีนี้การดูก็ไปพร้อมอยู่ในการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการฝึกใช่ไหมก็คือการฝึกตนเราฝึกตนอยู่ก็ดูใจในขณะแห่งการฝึกของเรานั่นแหละว่า เรากำลังฝึกกำลังปฏิบัติในเรื่องนี้แล้วจิตในเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่างไรนี่รู้เป็นขั้นหนึ่งหลักทีนี้การดูใจนั้นไม่ใช่การปล่อยใจหรือตามใจมันคนละเรื่องกันการดูใจคือดูตามที่มันเป็นแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของปัญญา จบตอนของมันแล้วไม่มีเรื่องของการปล่อยใจหรือไม่ปล่อยใจไม่มีเรื่องของการตามใจหรือไม่ตามใจเป็นคนละขั้นคนละตอนกันการปล่อยใจหรือไม่ปล่อยใจและการตามใจหรือไม่ตามใจนั้นเป็นเรื่องของความตั้งใจคือเป็นเจตนาไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญา แม้ว่าอาจจะเป็นเจตนาอย่างอ่อนจนไม่รู้ตัวแต่ก็คือเจตนานั่นแหละพอเป็นเจตนาก็เป็นสังขารทีนี้ละ่ะกุศลหรือไม่ก็อกุศลย่อมแทกยอมปนเข้ามาคือก็จะเป็นกุศลหรือไม่ก็เป็นอกุศลก็ให้พิจารณาเองว่าจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่จริงก็ง่าย เจตนาที่ปล่อยตัวตามใจก็คือขี้เกียจไปจนถึงประมาทก็เป็นอกุศลนั่นเองทีนี้ก็ซับซ้อนขึ้นละก็คือดูใจที่ขี้เกียจหรือดูใจที่มีกิเลสหรือดูจิตที่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเองทีนี้ถ้าดูจิตในการปฏิบัติความตั้งใจในการปฏิบัติหรือเจตนาในการฝึกนั้นก็ชัดแล้วว่าเป็นกุศล อันนี้ก็กลายเป็นว่าดูจิตแล้วแทนที่จะปฏิบัติคือฝึกให้ไปทางกุศลนี่กลับให้เป็นอกุศลตรงข้ามกับการปฏิบัติยิ่งกว่านั้นพอตามใจปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสก็เสื่อมจากการปฏิบัติที่จริงการดูจิตดูใจในขณะปฏิบัติก็เพื่อรู้แล้วจะได้ทำให้ดีหรือถ้าดูแล้วรู้ว่าจิตเป็นอกุศลอยู่ มีเจตนาอากุศลแทรกอยู่จะได้ละจะได้แก้ไขถ้ารู้ว่าเป็นกุศลจะได้เจริญแต่นี้ดูรู้แล้วว่าจิตเกยียดคกร้านเป็นอกุศลแทนที่จะปฏิบัติแทนที่จะฝึกคือแก้ไขละอกุศลนั้นเสียก็ไม่ทำการปฏิบัติก็เหลวหมดแทนที่จะลดละอกุศลและเจริญกุศลก็กลับตรงข้ามการปฏิบัติ หรือการฝึกก็เหลวหมดนำซ้ำเมื่อปล่อยตัวปล่อยใจอย่างนี้ย่อมให้อกุศลครอบงามหรือให้มันหมักหมมอยู่โดยไม่จัดการแก้ไขและไม่พยายามหันไปทำให้เป็นกุศลขึ้นมาก็คือการตกอยู่ในความประมาทและ ย, ยิ่งเป็นการปฏิบัติที่ผิดไปไกลไม่รู้ว่าปฏิบัติอะไรไปจบไปตันอยู่แค่ได้เป็นคนงอกอ ง, งอขิงจมอยู่ในความประมาท ขอให้จับจุดว่าจะปล่อยใจจะตามใจไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการดูจิตดูใจอะไรเลยมันผิดขั้นผิดตอนไปแล้วยากยะให้ถูกถามตัวเองว่าดูใจให้รู้จักใจแล้วจะได้ตามใจอย่างนั้นหรือหรือว่าจะดูใจให้รู้จักใจแล้วจะได้ก้าวไปในการปฏิบัติด้วยการละและการเจริญให้ตรงเรื่องกัน เมื่อดูจิตได้รู้จิตตามที่มันเป็นแล้วเวลานั้นเราปฏิบัติอะไรอยู่ถ้าเราดูใจรู้สภาวะของใจในขณะนั้นแล้วก็เป็นการให้โอกาสแก่การปฏิบัติหรือแก่การฝึกทีนี้ถ้าฝึกใจไปตามปกติมันก็เป็นสมถะดูจิตเนี่ยเป็นสมถะหรือไปวิปัสสนาก็ได้ทีนี้เมื่อดูจิตดูใจ ก็ฝึกไปด้วยเช่นว่าจิตเรายังมีโทสะมากเราก็รู้ว่าควรเจริญเมตตาเราก็เจริญเมตตาดูสิแล้วดูความเป็นไปของจิตจิตที่มีเมตตาเปลี่ยนจากโทสะเนี่ยมันมีอาการอย่างไรดูจิตอย่างนี้ดูตามที่มันเป็นแล้วควบประสานไปกับการฝึกอย่างนี้ก็เจริญสมถะควบไป ส่วนวิปัสสนาก็คือว่าไม่ใช่แค่ดูแล้วฝึกให้จิตเข้มแข็งให้มีเมตตาหรืออะไรอย่างนั้นนั่นสมถะทีนี้เราก็ดูจิตดูใจตามที่มันเป็นอย่างนั้นดูว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างไรดูแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นต่อไปต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อกี้จิตมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้น เมื่ออันนี้เกิดแล้วอันนั้นก็เกิดขึน้นเมื่ออันนั้นเกิดแล้วอันโน้นเกิดเมื่ออันนี้เกิดแล้วอันนั้นจึงเกิดเมื่ออันนี้ไม่เกิดอันนั้นก็ไม่เกิดตามดูไปอย่างนี้ก็ได้เห็นเหตุปัจจัย ท, ทีททนี้การเห็นปฏิจจสมุปบาทก็จะมาดูตามที่มันเป็นอ๋อจิตนี้ดับไปแล้วจิตนี้เกิดมาจิตที่มีอารมณ์แบบนี้ ที่มีความรู้สึกอย่างนี้แต่ก่อนไม่มีแต่บัดนี้มีขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอีกดูไปดูไปรู้ไปรู้ไปตามที่มันเป็นไปอย่างนั้นก็เห็นความเกิดดับการดูอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วเป็นอันว่าดูจิตนี่ก็ไปได้สองทางดูแบบสมถะก็ได้ฝึกจิตเราต้องการให้คุณธรรมความดี กุศลธรรมอะไรเกิดขึ้นมาเราดูไปพร้อมกันนั้นเราก็ได้ฝึกละอกุศลฝึกเจริญกุศลไปด้วยในแบบของสมถะหรือดูแบบวิปัสสนาก็ดูตามที่มันเป็นนั่นแหละดูความเป็นไปของจิตที่มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เกิดอันนั้นดับอันนี้ดับแล้วอันนั้นเกิด อันนี้มีแล้วอันนั้นจึงมีนี่ก็ฝึกไปด้วยคือฝึกปัญญาวิปัสสนาก็มาแต่ถ้าเราดูโดยปล่อยเรื่อยเปื่อยเราปล่อยใจใจมันก็เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งคือเมื่อมันไม่ดำเนินไปในการฝึกมันก็เป็นไปตามกิเลสเมื่อมันไม่ไปในทางที่ปัญญาเป็นใหญ่มันก็ไปตามทางของเจตนา ในขั้นหนึ่งการดูเป็นการปฏิบัติคือดูก็ได้รู้แต่ที่นี้รู้นั้นเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติที่ดําเนินไปมันจะเสริมการฝึกละอกุศลเจริญกุศลไหยหรือจะได้เสริมการดูรู้เห็นตามความเป็นจริงของวิปัสสนาไหมที่นี้ถ้าเราดูโดยไม่มีการปฏิบัติต่อไปจิตมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็เห็นกิเลสนั้น ถ้าเป็นคนปัญญาวัยก็แล้วไปก็จะไปต่อได้อย่างที่ว่าคนที่แม้แต่ว่ากําลังจะตายก็ยังตรัสรู้เป็นพระอระหันต์ได้อันนี้หมายความว่าตัวเองปฏิบัติมาไม่ถูกใจเกิดมีกิเลสก็เห็นกิเลสอะไรต่ออะไรใจก็เศร้าหมองแต่พอดีเกิดจิตสํานึกว่าบขึ้นมาเกิดความรู้ทันกิเลสขึ้น อาจจะพลิกทีเดียวเลยคือเกิดความรู้เข้าใจเห็นโพรงสว่างตามความเป็นจริงมองเห็นสภาวะก็ไปวิปัสนาได้โดยเกิดโยนิโสมนสิการมาช่วยแต่นั่นไม่ใช่การปฏิบัติตามปกติการปฏิบัติตามปกติก็คือว่าจะเอาสมถะก็ฝึกจิตไปด้วยโดยการดูรู้เห็นช่วยให้ก้าวไปในการปฏิบัติ ทละกุศลเจริญกุศลนั้นหรือเอาวิปัสสนาก็ดูตามที่มันเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตอะไรเป็นอย่างไรอย่างไรก็รู้ตามที่มันเป็นอย่างที่ท่านบรรยายว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะก็รู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะ จิตเศร้าหมองจิตผ่องใสก็รู้ตามที่มันเป็นแต่ไม่ใช่ปล่อยเรื่อยเปื่อยคือมันมาในการฝึกมีการฝึกไปด้วยโดยละอกุศลเจริญกุศลหรือก้าวไปในการรู้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ปล่อยใจไปตามกิเลสเรื่อยเปื่อยรวมความว่าหลักใหญ่คือศีลสมาธิปัญญา ไปด้วยกันมาหนุนกันในกระบวนการนี้ถ้าปฏิบัติถูกก็ตรวจสอบได้เอนี่เรามีศีลหรือเปล่าถ้าไม่มีศีลก็คงจะไม่ค่อยถูกแล้วนะ่ะเรามีความรู้เข้าใจปัญญาเจริญขึ้นไหมถ้าปัญญาก็มืดมืดมมัว ม, ม, ม, ม, มีแต่ใจที่ปล่อยไปตามกิเลสอย่างนี้จะไปรอดอะไรต้องตรวจสอบได้ ต้องมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาเมื่อถูกหลักแล้วไม่ว่าปฏิบัติอะไรมันก็คือการฝึกนั่นแหละคำว่าปฏิบัตินั้นแปลว่าดำเนินเดินก้าวก็คือการไปข้างหน้าเดินต่อไปเป็นศัพท์หนึ่งที่ท่านใช้ควบคู่หรืออยู่ในกลุ่มพวกคำว่าฝึก ไปก็คือสิกขานั่นเองสิกขาก็ฝึกธรรมะก็ฝึกธรรมะกับทันตะก็อันเดียวกันธรรมะเป็นนามและเป็นต้นเดิมของกิริยาศัพท์ทันตะคือคนที่ฝึกแล้วสิกขาก็ฝึกธรรมะก็ฝึกแล้วก็ภาวนาก็ฝึกปรือให้เป็นให้มีให้เจริญขึ้นไป สิกขาภาวนาธรรมะเป็นหลักรวมการปฏิบัติคุมและคลุมหมดเวลาเราปฏิบัติก็คือดาเนินไปในหลักรวมที่ว่านี้ในสิกขาก็มีการปฏิบัติปฏิบัติแปล ว, ว่าเดินดําเนินปฏิบัติปฏิบัติอะไรดําเนินเดินไปไหนก็ปฏิบัติดําเนินไปในตรายสิกขา ทำอย่างไรสิกขาจะเกิดขึ้นก็ปฏิบัติสิปฏิบัติแล้วสิกขาก็เกิดขึ้นก็คือต้องเดินไม่ใช่อยู่เฉยเฉยเมื่อคุณเดินไปสิกขาจึงจะเดินหน้าไปได้ธรรมะจึงไปได้ภาวนาจึงเป็นไปได้และจะเดินไปได้ก็ต้องเข้มแข็งต้องมีกำลังมีเรี่ยวแรงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นปัญญาต้องรู้ ข้อปฏิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรก็ต้องรู้ต้องชัดเราทำอันนี้เพื่ออะไรดูจิตดูเพื่ออะไรดูใจดูเพื่ออะไรต้องตอบตัวเองได้ดูว่าเราฝึกได้ผลไหมหรือดูให้รู้ตามที่มันเป็นให้เห็นตามเป็นจริงเข้าไปถึงปฏิจจสมุปบาทเห็นไรลักษ์ไปในวิปัสสนา อย่างน้อยก็อย่างที่ว่าแล้วดูรู้ว่าจิตของเราขณะนี้มีกิเลสไหมนีม่รู้ทันแล้วเมื่อมันมีกิเลสเราตระหนักว่ากิเลสเป็นของไม่ดีมีโทษต้องละก็จะละได้การรู้ตามเป็นจริงจึงช่วยในการละกิเลสนั้นและเมื่อรู้ว่าจิตมีกุศลเรารู้อยู่แล้วว่ากุศลต้องเจริญคือต้องภาวนาเราก็เจริญกุศล น, นั้นได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ทําอะไรการดูรู้เห็นจึงมาช่วยในการฝึกในการปฏิบัติกระบวนการเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันเราก็เดินหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยรวมแล้วหลักการทั่วไปคือต้องฝึกต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเข้มแข็ง สัพธรรมะทุกอย่างบอกให้เข้มแข็งทั้งนั้นนึกให้ติดใจไว้วิริยารมภานิตรัสเรื่อยวิริยารัมภาแปล ว, ว่าปรารพความเพียรหมายความว่าใจปรารบปรารบปรารบจะเพียรมุ่งเอาอันนี้ไม่ไปไหนคือใจมันเอาร่ำแต่จะเพียรจะเพียรอยู่ร่ำไปเพียรพยายามเต็มที่เลยสู้ไม่มีถอย ถ้ามีวิริยะรำภะก็เดินหน้าอย่างเดียวนี่คือต้องเข้มแข็งพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของคนอ่อนแอพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้เข้มแข็งมีแต่เดินหน้าตอนบำเพ็ญเพียรส่งสู้ทุกอย่างแม้แต่แทบจะแย่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถอยแต่อันไหนรู้ว่าผิดอย่างการอดอาหารบำเพ็ญทุกขักิริยานั่นหละพร และเป็นพรตที่พระองค์ทรงทราบว่ามันผิดคือปัญญารู้แล้วก็เลิกถ้ารู้แล้วว่าผิดหรือยังไม่รู้แต่ถือไปโดยงมงายก็เป็นศิลปะตะปรามานถ้าพระองค์ไปกลั้นหายใจอดอาหารโดยทำไปตามที่เขาว่าอย่างนี้จะทาให้หลุดพ้นได้ทาไปโดยโมหะไม่มีปัญญาก็เป็นศิลปะตะปรามาน แต่พระองค์รู้ทันแล้วอันนี้ไม่ถูกแล้วไม่เอาเลิกไม่ยอมตกอยู่ใต้ศิลปตาปรามาสข้อปฏิบัติใดถูกมีความมุ่งหมายอย่างนี้อยู่ในขั้นตอนนี้เช่นทุดงก็ปฏิบัติไปตามตรงตามความหมายและความมุ่งหมายของมันแค่พอดีตรงไปตรงมาทุดงไม่ได้พาไปถึงนิพพานแต่เป็นขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งเลือกได้ด้วยเป็นขั้นตอนในการช่วยกำจัดขัดเกลากิเลสการขัดเกลากิเลสนั้นช่วยเราเพราะว่าใจเราไม่เข้มแข็งเรานิชัช่างอ่อนแอเลิศเกินตามใจตัวเองอยู่เรื่อยไม่ได้เรื่องได้ราวสักทีเรารู้ตัวเราจึงสมาทานทุดงสมาทานคือรับหรือจับเอามาทำอย่างจริงจัง การที่จะถือทุดงได้ต้องเข้มแข็งจริงๆเราก็เลยสมาทานทุดงนั้นเราจะเอาข้อไหนดีทุดงไม่ได้จำเป็นไม่ได้บังคับใครแต่ท่านให้ดูว่าข้อนี้ถ้าเราฝึกน่าจะดีจะได้แก้ความขี้เกียจแก้ความตามใจตัวเองเสียทีทุดงก็จะมาบังคับเช่นถือบินทะบาทเป็นประจำทุกวันไม่ขาดถือแค่ไรจีวร คือผ้าบางสุกุลเป็นพรถในที่นี้เป็นพรถไม่ใช่วัดเอาแต่ผ้าบางสุกุลจีวร อ, อย่างเดียวทุ ด, ดงเนี่ยชัดทุกข้อมาช่วยเสริมกําลังจิตให้เข้มแข็งไม่ยอมให้เราตามใจกิเลสไม่ยอมให้เราปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้อ่อนแอท่านจึงจัดหาพรถมาให้เราฝึกเพื่อจะได้เข้มแข็งให้ก้าวไปได้ไม่อย่างนั้นมันก็จะมัวแต่อ่อนแอเหยาะแย วกเปียกป้อแป้เพราะฉะนั้นอย่าให้ใจหงิกและมัวแต่งอกแงกไม่ไปไหนเดี๋ยวจะสู้คนเป็นง่อยไม่ได้ต้องเข้มแข็งไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องเข้มแข็งทั้งนั้นเมื่อเราฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเข้มแข็งต่อไปไม่ว่างานอะไรก็ไม่ต้องกลัวสู้ได้หมดถ้าแค่ในจิตใจตัวเองจะปฏิบัติธรรมยังเข้มแข็งไม่ได้ แล้วต่อไปจะสู้งานอะไรข้างนอกถ้าแพ้ใจตัวเองเสีอแล้วจะไปเอาชนะมารที่ไหนท่านให้เอาชนะมารพระพุทธเจ้าสมเร็จก็ด้วยชนะมารท่านจึงบอกว่าต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ผูที่เอาชนะใจตัวเองได้คือมีชัยชนะสูงสุดพระพุทธเจ้าเน้นให้เอาชนะใจตนเองไม่ใช่ให้ยอมแพ้ถ้าใจปวกเปียกอ่อนแอ จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกข้าไม่เอากับแกจิตของเราอ่อนแอมันจะเอาอย่างนั้นเรามีปัญญาเราก็บอกว่าแกไม่ถูกแล้วถ้าต้องบังคับแกแล้วเราก็ชนะใจตัวเองได้เพราะชนะใจได้เราก็เดินหน้าถ้ามีชนะนั้นก็ไม่ต้องไปไหนแล้ว ได้แต่วนเวียนจมอยู่แค่ความประมาทนั่นแหละผู้ตักเตือนว่ากล่าวไม่จำเป็นอะไรที่จะทำด้วยความโกรธหวังดีก็เตือนได้อีกข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อพบเห็นคนทำผิดกฎระเบียบเราไม่ควรแสดงความโกรธ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 เราไม่ควรแสดงความโกรธตอนนี้ถูกต้องแต่ที่ไม่ให้พูดจาตักเตือนว่ากล่าวนั้นยังไม่ถูกต้องควรพูดเสี้ยใหม่ว่าเมื่อพบเห็นคนทำผิดกฎระเบียบเราไม่ควรแสดงความโกรธแต่ควรพูดจาตักเตือนว่ากล่าวด้วยเมตตาด้วยกรุณาคือไม่ต้องไปด่าว่าเขาด้วยความโกรธหรือด้วยโทสะแต่ควรมีความปรารถนาดีต่อเขา แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้เขาไม่จมอยู่ในความผิดในความชั่วควรจะสอนว่าถ้าเราเห็นคนทำผิดแล้วเราโกรธอยากจะด่าว่าตักเตือนเขานี่คือถึงโอกาสที่จะได้ฝึกตัวเราเองแล้วจะได้ทำประโยชน์แก่คนที่ทำผิดนั้นด้วยและก็จะได้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยคือตัวเราเองก็จะได้ฝึกใจให้เปลี่ยนจากโกรธเป็นเมตตากรุณา อ, อยากช่วยให้เขาพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นให้เป็นคนรู้จักระเบียบวินัยแล้วเราก็ฝึกวาจาของตนแทนที่จะใช้คำหยาบก็จะได้พยายามใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนทำให้พูดเป็นถ้าพูดให้เขารู้ตัวได้โดยเขาไม่โกรธให้เขาเชื่อและทำตามได้ทั้งเราและเขาก็จะเจริญในทายิ่งขึ้นไปด้วยกัน ส่วนด้านสังคมหรือส่วนรวมนั้นก็จะดีขึ้นได้ประโยชน์แน่นอนชัดอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ท่านให้อยู่ร่วมกันเป็นสงฆ์อยู่กันเป็นชุมชนเป็นวัดก็เพื่อให้มาช่วยบอกกล่าวแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันทุกคนจะได้เจริญงอกงามในธรรมวินัยจึงมีอุปชาอาจารย์มีการปรวารณาเป็นต้น การนิ่งเฉยเสียไม่ใช่การรักษาใจแต่เป็นการดูดายข้างนอกเป็นการไม่ฝึกตนข้างในและเป็นความประมาทในธรรมถ้าจะนิ่งไว้ก่อนอยังไม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาก็ต้องทำด้วยเหตุผลอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องที่จะมารักษาใจแต่ต้องฝึกทั้งใจและใช้ปัญญาคือพิจารณาเห็นเหตุผลเช่นว่า เวลายังไม่เหมาะหรือตัวเราตัวเขายังไม่พร้อมพูดไปเวลานี้อาจเกิดผลเสียเราก็คิดหาทางแก้ปัญหาคือจะช่วยเขาฝึกตัวเราและทําประโยชน์ของส่วนรวมให้สาเร็จนั่นแหละแต่หาวิธีอื่นเช่นออกไปปรึกษาหาหรือผู้สมควรหรือรอเวลาที่เหมาะเป็นต้นไม่ใช่จมอยู่ในความประมาทแล้วอ้างว่ารักษาใจ พึงตระหนักว่าการกระทาที่เรียกว่ารักษาใจกมกวมอย่างนี้ในระยะยาวจะเสียหายมากเป็นทางมาของความเสื่อมอย่างเดียวจบเสียงอ่านหนังสือออบเรื่องศิลปะตะปรามาศวินัยดูใจ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตเสียงงานโดยชมรมผลดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยสิวาพรแซจึงน้องปัญญาและครอบครัวแซจึงสภพทานางธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านอนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทาสื่อธรรมครั้งนี้ด้วยนะครับเผยพแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง แต่ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาด